คำพีวิสุทธิมักปริเฉทที่23าปัญญาภาวนานิสังสานิเทศอันหนึ่งปัญหากรรมใดที่เรากล่าวไว้ว่าอะไรเป็นอนิสงของปัญญาภาวนาการทำวิปัสสนามัคคยาปัญญาให้เกิดซึ่งท่านระบุไว้แล้วในเบื้องต้นของขันธ์นิเทศว่าปัญญาได้แก่วิปัสนาญาณสัมปยุต ด, ด้วยกุศ ล, ลจิต บัดนี้เราจะกล่าวแก้ในปัญหากรรมนั้นต่อไปความจริงขึ้นชื่อว่าปัญญาภาวนาคือการทำวิปัสสนามัคคปัญญาให้เกิดปัญญาภาวนานี้มีอนิสงส์หลายร้อยอย่างการที่จะประกาศอานิสงส์ของปัญญาภาวนานั้นโดยพิสดารแม้ใช้เวลายาวนานก็ทำมิดได้ง่าย แต่พึงทราบ อ, อนิสงค์ของปัญญาภาวนานั้นโดยสังเขปไว้ดังนี้คือ 1. หนึ่งนาากิเลสะวิทังสนังทำลายกิเลสต่างๆ 2. อริยภละรสาานุภาวนังเสวยรสของพระอริยผล 3. นิโรธสมาปติสมาปัชนะสมัฏตา สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้และสี่อาหุเนยะภาวาที่สิทธิสำเร็จความเป็นอาหุเนยะบุคคลเป็นต้นอ น, นิสงส์ประการที่หนึ่งของปัญญาภาวนานานากิเลสวิทังสนงังทำลายกิเลสต่างๆ ในอนิสง์ทั้งหลายนั้นการทำลายกิเลส ต, ต่างๆใดโดยความเป็นสักยทิฏฐิเป็นต้นที่เรากล่าวมาแล้วตั้งแต่นามรูปปริเชทยานยานกำหนดรูนามและรูปข้อนี้พึงทราบว่าเป็นอนิสงค์ของปัญญาภาวนาฝ่ายโลกยะการทำลายกิเลส ต, ต่างๆใดโดยความเป็นสังโยชน์เป็นต้นในขณะบรรลุพระอริยมรรค ที่เรากล่าวมาแล้วข้อนี้พึงทราบว่าเป็นอานิสงของปัญญาภาวนาฝ่ายโลกุตระความจริงวิปัสสนาปัญญาที่โยคีทำให้เกิดขึ้นแล้วย่อมทำลายข่ายกิเลส ท, ที่ติดตามมาตลอดกาลนานสร้างสรรแต่สิ่งไม่เป็นประโยชน์ทุกอย่างให้พินาศไปเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมาด้วยความเร็วหน้าหวาดกลัว ทำลายภูเขาศิลาทั้งหลายให้พังพินาศเหมือนไฟไม่ป่าที่ลุกโหมขึ้นด้วยแรงพายุทำลายป่าให้หมอดไหมไปเหมือนดวงอาทิตย์ซึ่งมีมวลทนรัศมีรุ่งโรดด้วยความร้อนของตนกำจัดความมืดให้สลายไปเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบอนิสง์ในปัญญาภาวนานี้ซึ่งเป็นอนิสงที่เห็นประจักษ์ด้วยตนเองนี้ อ น, นิสงส์ปัญญาภาวนาข้อที่สองอริยภะละรสานุภาวนังเสวรสของพระอริยผลข้อว่าเสวรสของพระอริยผลหมายถึงว่าและมิใช่แต่ทำลายกิเลส ต, ต่างๆอย่างเดียวเท่านั้นแม้การเสวยรสของพระอริยผลก็เป็นอนิสงส์ของปัญญาภาวนาด้วยเช่นกัน เพราะสามัญเหตุผลมีโสดาปติพลเป็นต้นท่านเรียกว่าพระอริยผลการเสวยรสของพระอริยผลนั้นมีอยู่สองประการคือดำเนินไปในมรรควิธึงดำเนินไปโดยทางผลสมาบัติหนึ่งในสองอาการนั้นการดำเนินไปในมรรควิธีของพระอริยผลนั้นได้ชี้แจงไว้เรียบร้อยแล้ว ตอนว่าด้วยมัคยานข้างตน้นอีกประการหนึ่งเพื่ออำานวยตามพระเถระทั้งหลายซึ่งกล่าวว่าเพียงแต่การละสังโยชน์ได้เท่านั้นก็ชื่อว่าได้ผลธรรมะสิ่งายๆอื่นหามีไม่ดังนี้ควรชี้แนะพระสูตรแม้ดังต่อไปนี้ความว่าปัญญาในการระ ง, งับประโยคคือความเพียรอย่างสูง ชื่อว่ายาในอริยผลเป็นอย่างไรคือสัมมาทิฐิโดยความหมายว่าเห็นในขณะบรรลุโสดาปติมัคออกไปจากมิจฉาทิฐิออกไปจากกิเลสทั้งหลายอันเป็นไปตามิจฉาทิฐินั้นด้วยจากขันธ์ทั้งหลายอันเป็นไปตามิจฉาทิฐินั้นด้วยและจากนิมิตทั้งปวงภายนอกด้วยเพราะระงับประโยคนั้นได้แล้วสัมมาทิฐิก็เกิดขึ้น นี่คือผลของมักควรนำพระสูตรนี้มากล่าวโดยพิสดารอีกทั้งมีคำระ บ, บาลีว่าอย่างนี้คือธรรมะเหล่านี้คืออริยมรรสี i, และสามัญญผลสีเป็นธรรมะมีอารมณ์หาประมาณมิได้และมหาคตาธรรมคือเนวสัญญาณสัญญาญาตนะเป็นปัจจัย โดยอนันตราปัจจัยแกธรรมะหาประมาณมิได้ดังนี้เป็นต้นเป็นคําสาทกในเรื่องนี้ผลสมาบัติอันหนึ่งเพื่อแสดงความเป็นไปในผลสมาบัติของพระอริยผลนั้นมีปัญหากรรมคือการทำคำถามอยู่ห้าข้อดังนี้คือผลสมาบัติคืออะไร บุคคลพวกไรเข้าผลสมาบัตินั้นบุคคลพวกไรไม่เข้าเข้าผลสมาบัติเพื่ออะไรการเข้าผลสมาบัตินั้นเป็นอย่างไรการตั้งอยู่เป็นอย่างไรการออกเป็นอย่างไรอะไรเป็นลำดับของผลละจิตและผลละจิตเป็นลำดับของอะไรในปัญหากรรมทั้งหลายนั้นข้อหนึ่ง ที่ว่าผลสมาบัติคืออะไรคือการเข้าอยู่ในความดับนิโรธคือพระนิพพานของอริยพลลจิตข้อสองที่ว่าบุคคลพวกไรเข้าผลสมาบัตินั้นพวกไรไม่เข้าในข้อนี้มีความตกลงดังนี้ ปุถุชนทั้งหลายแม้ทั้งปวงไม่เข้าเพราะเหตุไรเพราะมิได้บรรลุส่วนพระอริยะทั้งหลายแม้ทุกท่านเข้าผลสมาบัติเพราะเหตุไรเพราะท่านได้บรรลุแล้วแต่ว่าพระอริยบุคคลชั้นสูงไม่เข้าผลสมาบัติชั้นต่ำเพราะพระอริยบุคคลชั้นสูง ท่านมีกิเลสสังโยชน์เบื้องต่ำระงับไปแล้วด้วยการเข้าถึงความเป็นบุคคลอื่นคือหมายถึงเป็นพระอริยะชั้นสูงกว่านั้นและพระอริยะบุคคลชั้นต่ำก็ไม่เข้าผลสมาบัติชั้นสูงเพราะท่านยังมิได้บรรลุแต่พระอริยะบุคคลทั้งหลายท่านเข้าถึงผลสมาบัติตามขั้นของตนของตนเท่านั้นดังนี้ แต่ทว่าท่านเกจิอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าถึงแม้พระโสดาบันและพระสกทาคามีก็ไม่เข้าผลสมาบัติเพราะพระอริยบุคคลชั้นสูงคือพระอนาคามีและพระอาหารหันต์สองจำพวกเท่านั้นเข้าผลสมาบัติและเหตุผลของเกจิอาจารย์เหล่านั้นมีว่าดังนี้คือเพราะพระอริยบุคคลชั้นสูงทั้งสองจำพวกเหล่านี้เป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในสมาธิ คำของพวกเกจิอาจารย์นั้นไม่เป็นเหตุผลเลยเพราะแม้ปุถุชนยังเข้าโลกิยาสมาธิที่ตนเองได้แล้วและประโยชน์อะไรด้วยการคิดว่ามีเหตุผลและไม่เป็นเหตุผลในข้อนี้ในพระบาลีเองท่านก็กล่าวไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าโคตรภูธรรมสิบบังเกิดขึ้นด้วยอำนาจวิปัสนาคืออะไรบ้าง คือยานชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเกิดความเป็นไปเปยยานคือจนถึงความคับแค้นใจนิมิตคือสังขารภายนอกเพื่อมุ่งหมายได้เฉพาะซึ่งโสดาปฏิมักชื่อว่าโคตรภูเพราะครอบงำความเกิดขึ้นเป็นต้นนิมิตคือสังขารภายนอกเพื่อต้องการเข้าโสดาปฏิผลสมาบัตเปยยาน เพื่อมุ่งหมายได้เฉพาะซึ่งสกอทาคามิมักเพื่อต้องการเข้าอารหัตผลสมาบัตเพื่อต้องการเข้าสุ ญ, ญาตาวิหารสมาบัตเพื่อต้องการเข้าอนิมิตาวิหารสมาบัตดังนี้เพราะฉะนั้นความถึงควรถึงความตกลงในข้อนี้ได้ว่าพระอริยเจ้าแม้ทุกท่านเข้าผลสมาบัตของตนของตน ข้อสาที่ว่าเข้าผลสมาบัติเพื่ออะไรตอบว่าเพื่ออยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมคือในชีวิตปัจจุบันนี้เปรียบเหมือนพระราชาทรงเสวยสุขในราชาสมบัติและเทวดาทั้งหลายก็เสวยสุขในทิพยสมบัติชั้นใดพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านคิดว่าจากเสวยโลกุตระสุขขั้นอริยะแล้วทําการกําหนดเวลาก่อน แล้วเข้าผลสมาบัตในขณะที่ท่านปรารถนาต้องการข้อที่สี่ที่ว่าการเข้าผลสมาบัตนั้นเป็นอย่างไรการตั้งอยู่เป็นอย่างไรการออกเป็นอย่างไรตอบว่าก่อนอื่นการเข้าผลสมาบัตนั้นมีอยู่ด้วยสองอาการคือเพราะไม่มนสิการอารมณ์อื่น นอกจากพระนิพพานหนึ่งเพราะมนาสิการแต่พระนิพพานหนึ่งสมดังท่านพระสาวรีบุตรเทระกล่าวตอบท่านมหาโกดทิกะเทระว่าอาวุโสปัจจัยของการเข้าเจโตวิมุตตซึ่งไม่มีนิมิตคือพระนิพพานมีสองประการแลคือไม่มนาสิการนิมิตทั้งปวงหนึ่งมนสิการแต่ธาตุซึ่งไม่มีนิมิตหนึ่ ง, ง, ด, งดังนี้ แต่เท่าว่าในผลสมาบัตินี้มีลำดับของการเข้าดังนี้จริงอยู่พระอริยาสาวกผู้มีความประสงค์จะเข้าผลสมาบัติต้องไปอยู่ในที่ลับปลีกตนอยู่โดยเฉพาะกำหนดเห็นสังขารทั้งหลายด้วยวิปาาัสนาญาณมีอุทยพยายญาณเป็นต้นเมื่อพระอริยาสาวกนั้น มีวิปัสสนาญาณดำเนินไปโดยลำดับครั้นในลำดับของโคตรภูญาณซึ่งมีสังขารเป็นอารมณ์จิตก็เข้าอยู่ในความดับคือนิโรธด้วยสามารถผลสมาบัติท่านหมายเหตุข้อนี้ไว้ว่าโปรดสังเกตโคตรภูญานในมัคคะวิถีมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แต่ในทางผลสมาบัติมีสังขารเป็นอารมณ์ อันหนึ่งในการเข้าผลสมาบัตินี้ผลลจิตเท่านั้นบังเกิดขึ้นแม้แก่พระเสขะเพราะเป็นผู้มีจิตน้อมไปในผลสมาบัติอยู่แล้วมัคคจิตหาเกิดไม่แต่ทว่าพระอาจารย์ทั้งหลายเหล่าใดกล่าวว่าพระโสดาบันครั้นคิดว่าฉันจกเข้าผลสมาบัติแล้วตั้งต้นเจริญวิปัสนาไป ก็เป็นพระสกทาคามีและพระสกทาคามีคิดว่าฉันจักเข้าผลสมาบัติแล้วเริ่มเจริญวิปัสสนาไปก็เป็นพระอนาคามีดังนี้ควรกล่าวกับพระอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นพระอนาคามีก็จักเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็จักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าก็จักเป็นพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นคำไรยรายของพระอาจารย์ทั้งหลายนี้แม้มิได้ถูกปฏิเสธไว้ด้วยพระบาลีโดยตรงก็มิควรยึดถือแม้ด้วยประการชนนี้แต่ว่าควรยึดถือดังต่อไปนี้เท่านั้นคือว่าผลลจิตเท่านั้นเกิดขึ้นแม้แก่พระเสขะมัคคจิตหาเกิดขึ้นไม่และผลลจิตของพระเสขะนั้น ถ้ามรรที่พระเสขานี้บรร ล, ลุเป็นมรรคอยู่ในระดับปฐมฌานผลจิตเป็นไปในระดับปฐมฌานเท่านั้นเกิดขึ้นถ้ามรรคที่บรร ล, ลุอยู่ในระดับของฌานใดฌานหนึ่งมีทุติยฌานเป็นต้นผลลจิตก็เป็นไปในระดับของฌานใดฌานหนึ่งมีทุติยฌ า, านเป็นต้นเช่นกันเกิดขึ้นดังนี้การเข้าผลสมาบัตินั้น มีอยู่ด้วยอาการดังกล่าวนี้ก่อนส่วนการตั้งอยู่ของผลสมาบัตินั้นมีอยู่โดยอาการสามอย่างตามคําของท่านพระสาวรีบุตรเถระว่าอาวุโสปั จ, จัจของการตั้งอยู่ของเจโตวิมุตตซึ่งหาหน i m i ต s ไม่ได้มีสามประการแลคือไม่มีมณสิกานิมิตในวงเล็บสังขารทั้งปวงหนึ่ง มณสิกานิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิตหนึ่งและกระทํากําหนดไว้ก่อนหนึ่งดังนี้คําว่ากระทํากําหนดไว้ก่อนในคําของท่านพระสารีบุตรเทระนั้นหมายความว่าการกําหนดการเวลาไว้ก่อนเข้าผลสมาบัติอธิบายว่าเพราะพระอริยสาวกนั้นกําหนดไว้ว่า ฉันจักออกในการเวลาชื่โนโ้นการเวลาที่กำหนดไว้นั้นยังไม่มาถึงเพียงใดการตั้งอยู่ของผลสมาบัติก็มีอยู่เพียงนั้นการตั้งอยู่ของผลสมาบัตินั้นมีอยู่อย่างนี้แลแต่การออกของผลสมาบัตินั้นมีอยู่โดยอาการสองอย่างตามคำของท่านพระสารีบุตรเทระว่าอาวุโส ปัจจัยของการออกของเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีนิมิตมีสองประการแลคือมณสิกานิมิตทั้งปวงหนึ่งไม่มณสิกานิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิตหนึ่งดังนี้ในคาของท่านพระสาริบุเทระนั้นคำว่านิมิตทั้งปวงหมายถึงนิมิตคือรูปนิมิตคือเวทนานิมิตคือสัญญานิมิตคือสังขาร และนิมิตคือวิญญาณอนหนึ่งพระอริยาสาวกมิได้มนสิกานิมิต ท, ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้โดยรวมเป็นอันเดียวกันก็จริงแต่ท่านกล่าวคำว่านิมิต ท, ทั้งปวงนี้ไว้โดยการรวมความไว้ทุกประการเพราะฉะนั้นนิมิตใดเป็นอารมณ์ของผวังเมื่อพระอริยาสาวกมนสิกานิมิตนั้น ก็เป็นการออกจากผลสมาบัติด้วยระการชะนี้พึงทราบการออกของผลสมาบัตินั้นด้วยอาการดังกล่าวนี้ข้อที่ห้าที่ว่าอะไรเป็นลำดับของผลและจิตและผลละจิตเป็นลำดับของอะไรตอบว่าก่อนอื่นผลละจิตนั่นแะ เป็นลำดับของผลลจิตหรือว่าผวังเป็นลำดับของผลลจิตแต่ผลลจิตมาเป็นลำดับของมรรคก็มีเป็นลำดับของผลลจิตก็มีเป็นลำดับของโคตรภูก็มีเป็นลำดับของเนวะสัญญานาสัญญายตนะก็มีในผลจิตทั้งหลายนั้นถ้าเป็นในมรคะวิถีผลจิตเป็นลำดับของมรรค ผลละจิตหลังๆมาเป็นลำดับของผลลจิตก่อนๆแต่ในผลสมาบัติผลจิตข้างหน้าข้างหน้ามาเป็นลำดับของโคตรภูและพึงทราบว่าในผลสมาบัตินี้อนุโลมยานคือโคตรภูเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสคํานี้ไว้ในคัมภีร์ปัฐฐานว่า อนุโลมยานของพระอาหารหันต์เป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยแก่ผลสมาบัติอนุโลมยานของพระเสขะทั้งหลายเป็นปัจจัยโดยอนันตระปัจจัยแก่ผลสมาบัติดังนี้การออกจากความดับคือนิโรธมีด้วยผลจิตใดผลจิตนั้นมาเป็นลำดับของเนวสัญญาณาสัญ ญ, ญาญตนะดังนี้แล ในผลลจิตทั้งหลายนั้นยกเว้นผลลจิตที่เกิดในมรรคควิถีเสียแล้วผลลจิตที่เหลือนอกนั้นทั้งหมดชื่อว่าเป็นไปด้วยอำนาจผลสมาบัติแต่จะด้วยการเกิดขึ้นในมรรคควิถีหรือในผลสมาบัติก็ตามท่านกล่าวไว้ว่าสามัญญผลอันประเสริฐสุดยอดระงับความทุกข์ทนกระวนกระวาย กายการมารมเครื่องล่อใจของโลกออกไปมีอมตะนิพพานเป็นอารมณ์สงบผ่องใสทุ่มทนด้วยความสุขบริสุทธิ์มีโอชะแช่มชื่นอ่อนหวานเป็นอย่างยิ่งประดุดน้ำหวานที่เจือปนด้วยน้ำอมฤตเพราะเหตุที่ท่านบัณฑิตได้ทำวิปัสสนาปัญญาให้เกิดขึ้นจึงประสบความสุขอันประเสริฐยิ่งนั้นซึ่งเป็นรสของพระอริยผล น, นั้น เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวในที่นี้ว่าการเสวยรสของพระอริยผลดังกล่าวนี้เป็นอนิสงของวิปัสนาภาวนาอานิสงภาวนาปัญญาข้อที่สามนิโรธสมาปฏิสมาปัชนะสมมตถตาสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ ข้อว่าสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้หมายถึงว่ามีเพียงแต่เสวยรสของพระอริยผลอย่างเดียวเท่านั้นแต่พึงทราบว่าแม้ความสามารถในการเข้านิโรธสมาบัติก็เป็นอนิสงของปัญญาภาวนานี้ด้วยในคำสังเกตความว่าสามารถเข้านิโรธาสมาบัติได้นั้น เพื่อเข้าใจจำแจ้งเรื่องนิโรธสมาบัติมีปัญหากรรมอยู่แปดข้อดังนี้คือนิโรธาสมาบัติคืออะไรบุคคลพวกไรเข้านิโรธาสมาบัตินั้นได้พวกไรเข้าไม่ได้เข้าได้ในพบไหนเข้าเพื่ออะไรการเข้านิโรธสมาบัตินั้นเป็นอย่างไรการตั้งอยู่เป็นอย่างไรการออกเป็นอย่างไรจิตของผู้ออกแล้วจากนิโรธสมาบัติ น้อมไปในอะไรคนตายแล้วกับท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติมีความต่างกันอย่างไรและนิโรธสมาบัติเป็นสังคตะหรืออสังคตะเป็นโลกิยะหรือโลกุตระเป็นนิพพา น, นะคือสำเร็จหรืออนิพพา น, นะคือไม่สำเร็จในปัญหากรรมทั้งแปดนั้นข้อที่หนึ่งที่ว่านิโรธสมาบัติคืออะไร คือความไม่เป็นไปของธรรมทั้งหลายคือจิตและเจตสิกด้วยการดับไปโดยลำดับข้อที่สองที่ว่าบุคคลพวกไรเข้านิโรธทัศมาบัตินั้นได้พวกไรเข้าไม่ได้ตอบว่าปุถุชนทั้งหลายแม้ทั้งปวงพระโสดาบันและพระสกทาคามีทั้งหลายทั้งปวงและพระอนาคามี กับทั้งพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่เป็นสุขวิปัสสกะเข้าไม่ได้แต่พระอนาคามีทั้งหลายและพระอาหารหันต์ขีณาศพทั้งหลายผู้ได้สมาบัติ8เข้านิโรธาสมาบัติได้เพราะท่านกล่าวไว้ว่าปัญญานิความเป็นผู้มีความชนานาญด้วยญาณจริยา16ด้วยสมาธิจริยาสิบเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยภะละสอง และเพราะความสงบไปแห่งสังขารสามชื่อว่าญาณในการเข้านิโรธาสมาบัติและสัมปทาคือการเข้านิโรธาสมาบัติได้นี้นอกจากพระอนาคามีและพระขีนาสพทั้งหลายผู้ดได้สมาบัติแปดแล้วบุคคลทั้งหลายอื่นหามีไม่เพราะฉะนั้นพระอนาคามีและพระขีนาสพทั้งหลาย ผู้ดได้สมาบัตร8ดเหล่านั้นเท่านั้นเข้านิโรธาสมาบัตได้บุคคลทั้งหลายอื่นเข้าไม่ได้อธิบายพละสองสังขารสามยานจริยาส6หสมาธิจริยาเก้าละวสีห้าถามว่าแต่พระกำลังสองในที่นี้คืออะไรบ้างสังขารสามเป็นชไหน ยานจริยาส6หคืออะไรบ้างสมาธจริยา9ก้าคืออะไรบ้างความเป็นผู้มีความจำนานคือวาสีเป็นชไหนดังนี้ตอบว่าคำไรๆที่เราจะต้องกล่าวตอบในคำถามนี้หามีไม่คำตอบทั้งหมดนี้ท่านได้กล่าวไว้ในนิเทศของอุเทศนี้เรียบร้อยแล้วดังพระบาลีในปฏิสัมพิธามรักษ แปลความว่าสมถะพละคำว่าด้วยพละสองได้แก่พละสองคือสมถะพละกำลังของสมถะหนึ่งวิปัสนาพละกำลังของวิปัสนาหนึ่งสมถะพละเป็นชนหนคือความที่จิตมีอารมณ์เดียว ความไม่ฟุ้งซ่านด้วยเนคขมมะในวงเล็บสังกับปะชื่อว่าสมถะพละความที่จิตมีอารมณ์เดียวความไม่ฟุ้งซ่านด้วยความไม่มีพยาบาทด้วยอารลกสัญญาด้วยอวิเขปะคือความไม่ฟุ้งซ่านเป ย, ยานด้วยเป็นผู้ตามเห็นเนืองเนืองด้วยการสลัดทิ้งไปหายใจเข้า ด้วยเป็นผู้ตามเห็นเนืองเนืองด้วยการสลัดทิ้งไปหายใจออกชื่อว่าสมถฏภะละสมถฏภะละในคำว่าสมถฏภะลาดังนี้โดยความหมายว่ากไรชื่อว่าสมถฏระลเพราะไม่หวั่นไหวเป็นในพระนิวรดด้วยปฐมฌานชื่อว่าสมถฏภะละ เพราะไม่หวั่นไหวไปในวิตกและวิจารณ์ด้วยทุติยาชาญเปยยานคือการไม่หวั่นไหวไปตามลําดับชาญจนถึงชื่อว่าสมถะพละเพราะไม่หวั่นไหวไปในเพราะอากินจัญญายตนสญญยะสัญญาด้วยเนวสัญญาณสัญญายตนะสมาบัติชื่อว่าสมถะพละเพราะไม่หวั่นไหวไปไม่เคลื่อนไปไม่สันสะเทือนไป ในเพราะอุทธจัจจะและในเพราะกิเลสอันเป็นไปกับด้วยอุทธจัจจะและในเพราะขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทธจัจจะวิปัสนาภะวิปัสนาภะเป็นไนคืออนิจจานุปัสนาความเห็นเนืองๆโดยความไม่เที่ยงชื่อว่าวิปัสนาภะ ทุกขานุป uh, kind of ัสสนาความเห็นเนื่งเนืองด้วยความเป็นทุกข์อนัตตานุปัสสนาความเห็นเนืองเนืองด้วยความเป็นอนัตตานิพพิทานุปัสสนาความเห็นเนืองเนืองด้วยความเบื่อหน่ายวิราคานุปัสสนาความเห็นเนืองเนืองด้วยความปราศจากกำนัดนิดิโรทานุปัสสนา ความเห็นเนืองเนืองซึ่งความดับปฏินิสักานุปัสนาความเห็นเนืองเนืองด้วยการสลัดทิ้งไปชื่อว่าวิปัสนาภละความเห็นเนืองเนืองโดยความไม่เที่ยงในรูปความเห็นเนืองเนืองด้วยการสลัดทิ้งไปในรูปชื่อว่าวิปัสนาภละ ความเห็นเนื่องเนืองโดยความไม่เที่ยงในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณปิยานคือจนถึงในจักษุตามลําดับจนถึงในชราและมรณะความเห็นเนื่องเนืองด้วยการสลัดทิ้งไปความเห็นทั้งหมดนั้นคือเห็นตั้งแต่ทุกขานุปัสสนาเห็นเนืองเนืองโดยความเป็นทุกข์จนถึงปณนิสัานุปัสสนา ความเห็นเนืองๆด้วยการสลัดทิ้งไปในทุกประการนั้นจนถึงในชราและมรณะชื่อว่าวิปัสนาภละวิปัสนาภละในคําว่าวิปัสนาภละดังนี้โดยความหมายว่าอะไรชื่อว่าวิปัสนาภละเพราะไม่หวั่นไหวเป็นในนิจสัญญาความสําคัญว่าเทียงด้วยอนิจจานุปัสนา เพราะไม่หวั่นไหวไปในสุ ข, ขสัญญาความสำคัญว่าเป็นสุขด้วยทุกขานุปัสสนาเพราะไม่หวั่นไหวไปในอัตตสัญญาความสำคัญว่ามีอัตตาด้วยอนัตตานุปัสสนาเพราะไม่หวั่นไหวไปในความเพลิดเพลินด้วยนิพิทานุปัสสนาเพราะไม่หวั่นไหวไปในราคาด้วยวิราคานุปัสสนา พราะไม่หวั่นไหวไปในสมุทัยด้วยนิโรธานุปัสนาชื่อว่าวิปัสนาภละเพราะไม่หวั่นไหวไปในความยึดถือไว้ด้วยปฏินิสักานุปัสนาชื่อว่าวิปัสนาภละเพราะไม่หวั่นไหวไปไม่เคลื่อนไปไม่สันสะเทือนไปในอวิชชาและในกิเลสอันเป็นไปกับด้วยอวิชชาและในขัน อันสัมปยุตด้วยอวิชานี้คือวิปัสนาภละสังขารสามคว่าเพราะความสงบไปแห่งสังขารสามถามว่าเพราะความสงบไปแห่งสังขารสามเหล่าไหนตอบว่าวจีสังขาร คือวิตกและวิจารณ์ของท่านผู้เข้าทุติยชาญเป็นอันสงบไปแล้วหนึ่งกายสังขารคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของท่านผู้เข้าจตุทัฏฐานเป็นอันสงบไปแล้วหนึ่งจิตตสังขารคือสัญญาและเวทนาของท่านผู้เข้าสัญญาเวทายตานิโรธเป็นอันสงบไปแล้วหนึ่ง เพราะความสงบไปแห่งสังขาญทั้งหลายสามเหล่านี้ยานจริยาสิบหกคำว่าด้วยยานจริยาสิบหกถามว่าด้วยยานจริยาสิบหกเหล่าไหนตอบว่าอ น, นิจจานุปัสสนาชื่อว่ายานจริยา ทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพิทานุปัสสนาวิราขานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปณิสัก ข, ขานุปัสสนาวิวัตานุปัสสนาชื่อว่าญาณจริยาโสดาปฏิมักชื่อว่าญาณจริยาโสดาปฏิผลสมาบัติชื่อว่าญาณจริยาโดยในยะเดียวกัน สกัทาคามิมักสกัทาคามิผลสมาบัติอนาคามิมักอนาคามิผลสมาบัติอรหัตตมักอรหัตผลสมาบัติชื่อว่าญาณจริยาด้วยญาณจริยาสิบหเหล่านี้สมาธิจริยาเก้า คำว่าด้วยสมาธิจริยาก้าถามว่าด้วยสมาธิจริยาเก้าเหล่าไหนตอบว่าปฐมฌานชื่อว่าสมาธิจริยาทุติยฌานเปยยานคือไล่ตามลำดับฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติชื่อว่าสมาธิจริยาวิตกวิจารปีติสุขและจิตเตกัคคตา เพื่อมุ่งหมายได้ปฐมฌานเปยยานคือจนถึงวิตกวิจารปีติสุและจิตตกะคัตตาเพื่อมุ่งหมายได้เนวะสัญญานาสัญญายัตนาสมาบัติรวมกับอุปจาราสมาธิของสมาบัติแปดอีกหนึ่งด้วยสมาธิจริยาเก้าเหล่านี้ว่าสีห้า คำว่าวสีมีความชํานาญหมายถึงวศีห้คือ1อาวชนะวสีความชํานาญในการรำลึก 2. สมาปัชนะวสีความชํานาญในการเข้า 3. อธิฐานาวสีความชํานาญในการตั้งอยู่ 4. วุฒานาวสีความชํานาญในการออก และหปัจเจเวขณะวสีความชำนาในการพิจารณาทบทวนการรำลึกถึงปฐมฌานได้ณที่ตนปรารถนาในเวลาต้องการตลอดเวลาต้องการไม่มีความชักช้าในการรำลึกดังนี้เรียกว่าอาวัชนะวสี การเข้าปฐมฌานได้ณที่ตนปรารถนาในเวลาต้องการตลอดเวลาต้องการไม่มีความชักช้าในการเข้าดังนี้เรียกว่าสมาปัจชนาวสีการตั้งอยู่ในปฐมฌานได้ณที่ตนปรารถนาในเวลาต้องการตลอดเวลาต้องการไม่มีความชักช้าในการตั้งอยู่ดังนี้เรียกว่าอธิฐานวสี การออกจากปฐมฌานได้นที่ตนปรารถนาในเวลาต้องการตลอดเวลาต้องการไม่มีความชักช้าในการออกดังนี้เรียกว่าวุฒนานวสีการพิจารณาทบทวนปฐมฌานได้นที่ตนปรารถนาในเวลาต้องการตลอดเวลาต้องการไม่มีความชักช้าในการพิจารณาทบทวนดังนี้เรียกว่าปัจเจเวคขณะวสี การรำลึกถึงทุติยชาญในแต่ละชาญจนถึงเนวะสัญญานาสัญญายตนาสมาบัตได้ก็โดยในยะเดียวกันว่าสีมีห้าดังนี้แหละความจริงนิเทศของคำว่าด้วยยานจริยาส6หนี้ในพระบาลีปฏิสัมพิธามรข้างต้นนั้นเป็นนิเทศสูงสุดคือรวมยอดทั้งหมด แต่ว่าพระอนาคามีท่านมีปัญญาในความเป็นผู้ชำนาญคือวสีภาวตาปัญญาด้วยญาณจริยา14ไม่ถึง16เพราะท่านยังมิได้บรรลุมรรคและผลสุดยอดคือพระอระหันต์หากมีคำถามว่าถ้าอย่างนั้นพระสกทาคามีก็ไม่มีวสีภาวตาปัญญาด้วยญาณจริยาสิองและพระโสดาบันก็ไม่มีด้วยญาณจริยาสิ ใช่หรือไม่ตอบว่าพระสกัทาคามีและพระโสดาบันท่านไม่มีวสีภาวะตาปัญญาเพราะท่านยังละราคะมีกรรมคุณห้าอันเป็นวัตถุที่ตั้งซึ่งเป็นอันตรายแก่สมาธิไม่ได้เพราะท่านละราคะมีกรรมคุณห้าอันเป็นที่ตั้งนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นสมถะภละของพระสกัทาคามีและพระโสดาบัน จึงยังไม่บริบูรณ์เมื่อสมถะพละนั้นไม่บริบูรณ์ท่านก็หาสามารถเข้านิโรธาสมาบัติที่ต้องเข้าด้วยพละสองได้ไหมส่วนพระอนาคามีท่านละราคานั้นได้แล้วเพราะฉะนั้นพระอนาคามีนี้จึงเป็นผู้มีพละบริบูรณ์ท่านสามารถเข้านิโรธาสมาบัติได้เพราะความเป็นผู้มีพละทั้งสองบริบูรณ์ เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่าในว่าสัญญาณาสัญญาญตนะกุสลของพระอนาคามีผู้ออกจากนิโรธเป็นปั จ, จัยด้วยอนันตระปั จ, จัยแก่การเข้าผลสมาบัติจึงอยู่คำนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในปัฏฐานมหาปรกรณ์ทรงหมายถึงการออกจากนิโรธของพระอนาคามีโดยเฉพาะฉะนี้แล ข้อที่สาที่ว่าเข้าได้ในพบไหนตอบว่าในปัญจวัวการภพถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะเป็นสภาพของสมาบัติโดยลำดับคืออนุปุพภะสมาปฏิส่วนในจตุววการภพหรืออรูปภพนั้นรูปสมาบัติทั้งหลายมีปฐมฌานเป็นต้นไม่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถเข้านิโรธาสมาบัตในภพนั้นได้แต่บรรดาแกจิอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าเพราะไม่มีหัตถยะวัตถุคือเพราะไม่มีวัตถุคือกระชกายข้อสี่ที่ว่าเข้าเพื่ออะไรตอบว่าพระอนาคามีและพระขีณาสพ ผู้ได้สมาบัตแปดท่านเบื่อหน่ายในความเป็นไปและความแตกดับของสังขารทั้งหลายจึงคิดว่าเราจักเป็นผู้ไม่มีจิตบรรลุความดับคล้ายพระนิพพานอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนิเสธเถิดแล้วเข้านิโรธสมาบัติข้อห้าที่ว่าการเข้านิโรธาสมาบัตินั้นเป็นอย่างไร ตอบว่าการเข้านิโรธาสมาบัติเป็นของพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่ได้สมาบัติแปดผู้เพียรพยายามโดยทางสมถะและวิปัสนาซึ่งทาบุคภกิจคือกิจเบื้องต้นแล้วทำเนวสญญ า, นาสัญญาณสัญญายตนาสมาบัติให้ดับไปการเข้านิโรธาสมาบัตินั้นมีอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ เพราะว่าท่านผู้ที่เพียรพยายามโดยทางสมถะอย่างเดียวท่านผู้นั้นครั้นบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัตแล้วก็ยับยั้งอยู่ส่วนท่านผู้ที่เพียรพยายามโดยทางวิปัสสนาอย่างเดียวครั้นบรรลุผลสมาบัติแล้วก็ยับยั้งอยู่แต่ท่านผู้ที่เพียรพยายามโดยทางสมถะและวิปัสสนาทั้งสองนั่นแลครั้นทำบุพภกิจแล้ว ทำเนวสัญญานาสัญญายตนาสมาบัติให้ดับไปท่านผู้นั้นเข้านิโรธสมาบัตินั้นได้นี้คือความสังเขปในการเข้านิโรธสมาบัตินี้ด้วยประการฉนี้ส่วนความพิสดารมีดังต่อไปนี้พระภิกษุในพระศาสนานี้มีความปรารถนาจะเข้านิโรธาสมาบัติทำพัตกิต คือชันอาหารแล้วล้างมือและเท้าดีแล้วนั่งคูบันลังตั้งกายตรงเข้าไปตั้งสติไว้เฉพาะหน้าอยู่บนอาสนะที่ปูลาดไว้ดีแล้วในโอกาสคือสถานที่เงียบสงัดพระภิกษุนั้นเข้าปฐมฌานแล้วออกจากปฐมฌานนั้นกำหนดเห็นด้วยวิปัสสนาซึ่งสังขารทั้งหลายในปฐมฌานนั้นโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตาวิปัสสนาสามแต่วิปัสสนานี้มีสมอย่างคือ 1. สังขาระบริคันฮนกะวิปัสสนาวิปัสสนากำหนดรู้สังขาร 2. อภลสมาปฏิวิปัสสนาวิปัสสนาของผลสมาบัติ และสนิโรธาสมาปติวิปสนาวิปสนาของนิโรธัสมาบัตในวิปสนาสามอย่างนั้นวิปสนากำหนดรู้สังขารเป็นอย่างอ่อนหรืออย่างแก่ก็ตามเป็นปททฐานคือทางบรรลุแห่งมรรคได้เช่นกันวิปสนาของผลสมาบัตต้องเป็นอย่างแก่จริงๆเช่นเดียวกับมรรคภาวนา จึงใช้ได้แต่วิปัสนาของยโรทัสมาบัตต้องไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปจึงใช้ได้เพราะฉะนั้นพระภิกษุนี้จึงกําหนดเห็นสังขารทั้งหลายเหล่านั้นด้วยวิปัสนาซึ่งไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปจากนั้นก็เข้าทุติยฌานครั้นออกแล้วกําหนดเห็นด้วยวิปัสนาซึ่งสังขารทั้งหลาย ในทุติยาชาญ น, นั้นเหมือนเมื่อออกจากปฐมชาญอย่างนั้นแหละจากนั้นก็เข้าตติยาชาญไปจนถึงจากนั้นก็เข้าวิญญาณญจายตนะครั้นออกแล้วกําหนดเห็นด้วยวิปัสนาซึ่งสังขารทั้งหลายในวิญญาณญจายตนะนั้นเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละบุพภกิกษีในการเข้านิโรธาสมาบัติ ในลำดับนั้นก็เข้าอากินจัญ ญ, ญายตนะครั้นออกแล้วจึงกระทาบุพภิกิจคือกิจเบื้องต้นสี่อย่างคือหนึ่งนานาพัทธอวิโกปณะนะไม่ทำให้สิ่งของที่เนื่องด้วยพระภิกษุต่างๆเสียหายสองสังฆปฏิมานะการรอคอยของสงฆ์สามสัตถุปะโกศนะ การทรงมีรับสั่งหาของพระบรมศาสดาและสี่อัธนะปริเฉทะกำหนดการเวลาบุพภกิจข้อที่หนึ่งไม่ทําให้สิ่งของเนื่องด้วยพระภิกษุต่างๆเสียหายในบุพภกิจสี่อย่างนั้นข้อว่าไม่ทําให้สิ่งของเนื่องด้วยพระภิกษุต่างๆเสียหายความว่า วัตถุใดมิใช่เป็นของเกี่ยวเนื่องแต่ผู้เดียวกับพระภิกษุผู้เข้านิโรธาสมาบัตินี้แต่เป็นของใช้เกี่ยวเนื่องกับพระภิกษุต่างๆอยู่ด้วยเช่นบาทและจีวรก็ดีเตียงและต่างก็ดีเคหะที่อยู่อาศัยก็ดีก็หรือบริการรายอื่นก็ดีวัตถุนั้นจะไม่เสียหายคือจะไม่พินาศไปด้วยไฟไหม้ด้วยน้ําพัดไปด้วยลมทําลาย ด้วยโจรลักขโมยและหนูกัดเป็นต้นด้วยประการใดภิกษุนั้นพึงอธิษฐานไว้ด้วยประการนั้นในการนั้นมีวิธีอธิษฐานดังนี้ว่าภายในเจ็ดวันนี้ขอวัตถุสิ่งนี้และสิ่งนี้ระบุชื่อสิ่งของจงอย่าถูกไฟไหม้อย่าถูกน้ำพัดไปอย่าถูกลมทำลายจงอย่าถูกพวกโจรลัก จงอย่าถูกสัตว์มีหนูเป็นต้นกัดครั้นอธิษฐานอย่างนี้แล้วจะไม่มีอันตรายไรายๆแก่วัตถุนั้นตลอดเจ็ดวันแต่เมื่อพระภิกษุนั้นไม่อธิษฐานไว้วัตถุจากพิณ่าไปด้วยไฟเป็นต้นเหมือนของท่านพระมหานาคาเทระเล่ากันว่าพระเทระเข้าไปบินทบาตในบ้านของอุบาสิกาผู้เป็นโย ม, มารดา อุบาสิกาถวายยาคูแล้วนิมนต์ให้ท่านนั่งในโรงฉันพระเถระนั่งเข้านิโรธเมื่อท่านนั่งเข้านิโรธอยู่นั้นโรงฉันถูกไฟไหม้พระภิกษุนอกนั้นต่างถืออาสนะที่นั่งของตนของตนพากนนันหนีไปพวกชาวบ้านมาชุมนุมกันกรั้นเห็นพระเถระก็พากันกล่าวตำหนิว่าพระสมณะขี้เกียจ ไฟไม่ย่ามุงหลังคาไม่ไม้ไผ่และไม้ไม้กระดานลุกล้อมรอบพระเถระพวกชาวบ้านช่วยกันเอาหม้อตักน้ำมาดับไฟแล้วนาเท่าฐานออกไปทาเป็นวงรอบพระเถระแ ล, ะล้วโปรยปลายดอกไม้พากันยืนนมัสการอยู่พระเถระออกจากนิโรธตามการเวลาที่ท่านกำหนดไว้ครั้นเห็นพวกชาวบ้านเหล่านั้นก็คิดว่า ฉันเกิดเป็นคนปรากฏชัดเสียแล้วจึงเหาะขึ้นสู่เวหาดไปยังเกาะปียังคุนี้ชื่อว่าเป็นการไม่ทำให้สิ่งของที่เนื่องด้วยพระภิกษุต่างๆเสียหายแต่วัตถุสิ่งใดที่เป็นของเกี่ยวเนื่องแต่ตนผู้เดียวจะเป็นผ้านุ่งและผ้าห่มก็ดีเป็นอาสนะสำหรับรองนั่งก็ดีกิจ ด, ด้วยการอธิษฐานในวัตถุสิ่งนั้นเป็นส่วนต่างหาก หามีไม่ท่านผู้เข้านิโรธจะคุ้มครองรักษาวัตถุสิ่งนั้นไว้ด้วยอํานาจของนิโรธัสมาบัตินั่นแลเหมือนอย่างของท่านพระสันชีวาอีกทั้งท่านได้กล่าวคํานี้ไว้ว่าฤทธอันแผ่กระจายไปด้วยสมาธิของท่านพระสันชีวาฤทธอันแผ่กระจายไปด้วยสมาธิของท่านพระสารีบุตรดังนี้ บุพภกิจข้อที่สองการรอคอยของสงฆ์ข้อว่าการรอคอยของสงฆ์หมายถึงการคอยคือการรอคอยของสงฆ์ความว่าพระภิกษุรูปหนึ่งยังไม่มาตราบใดสงฆ์จะยังไม่ทำสังฆกรรมตราบนั้นและการรอคอยในที่นี้หาใช่เป็นบุพภกิจของการเข้านิโรธนี้มิได้ แต่การรำลึกถึงการรอคอยเป็นบุพกิจเพราะฉะนั้นพระภิกษุผู้จะเข้านิโรธพึงรำลึกถึงอย่างนี้ว่าเมื่อฉันนั่งเข้านิโรธอยู่ตลอดเจ็ดวันเท่าว่าสงจะมีความปรารถนาเพื่อทำกรรมทั้งหลายมียติกรรมเป็นต้นกรรมไรๆก็ตามฉันจกออกจากนิโรธทันทีทันใดที่พระภิกษุไรๆยังมิทันมาเรียกฉัน เพราะว่าพระภิกษุนั้นทําอย่างนี้แล้วจึงเข้านิโรธก็จะออกได้ทันทีในเวลานั้นแต่พระภิกษุใดมิได้กระทําอย่างนั้นและส่งประชุมกันแล้วไม่เห็นพระภิกษุนั้นจะถามว่าภิกษุรูปโน้นไปไหนครั้นมีผู้บอกว่าเข้านิโรธสงก็จะส่งพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดไปตามว่า จงไปเรียกพระภิกษุรูปนั้นมาตามคำสั่งมาตามคำของสงฆ์ครั้นพระภิกษุผู้ไปตามนั้นยืนอยู่ในที่ใกล้พอที่พระภิกษุผู้เข้านิโรดนั้นจะได้ยินแล้วเพียงแต่บอกว่าอาวุโสสงรอคอยท่านอยู่ดังนี้เท่านั้นการออกจากนิโรดก็มีในทันทีเพราะว่าชื่อว่าอาณาของสงฆ์เป็นการหนักอย่างนี้ เพราะฉะนั้นพระภิกษุผู้เข้านิโรธควรรำลึกถึงการรอคอยของสงนั้นแล้วจึงเข้านิโรธโดยอาการที่จะออกได้เองทีเดียวบุพภิกขข้อที่สามการทรงมีรับสั่งหาของพระบรมศาสดาแม้ในข้อว่า การทรงมีรับสั่งหาของพระบรมศาสดานี้ก็หมายถึงการรำลึกถึงการทรงมีรับสั่งหาของพระบรมศาสดานั่นเองเป็นบุคคกิจของพระภิกษุผู้เข้านิโรดนี้เพราะฉะนั้นแม้การทรงมีรับสั่งหาของพระบรมศาสดานั้นพระภิกษุก็ควรรำลึกถึงโดยอาการอย่างนี้ว่าเมื่อข้าพเจ้านั่งเข้านิโรดอยู่ตลอดเจดวัน ถ้าพระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติสิกขาบทในเรื่องที่เกิดขึ้นหรือว่าจะทรงแสดงธรรมในเพราะความเกิดเรื่องขึ้นอย่างนั้นข้าพเจ้าจะออกทันทีในช่วเวลาที่ใครๆยังไม่มาเรียกข้าพเจ้าดังนี้เพราะว่าพระภิกษุนั้นครั้นทำอย่างนี้แล้วนั่งเข้านิโรธก็จะออกได้ในเวลานั้นโดยแท้แต่พระภิกษุใดไม่กระทาอย่างนั้น เมื่อทรงประชุมกันแล้วและพระบรมศาสดาทรงทอดพระเนตรไม่เห็นพระภิกษุนั้นทรงมีรับสั่งถามว่าภิกษุรูปนอนไปไหนครั้นมีพระภิกษุกราบทูลว่าเข้านิโรธจะโปรดทรงพระภิกษุบางรูปไปตามด้วยพระดาริตว่าเธอจงไปเรียกภิกษุนั้นตามคาของเราครั้นพระภิกษุนั้นไปยืนอยู่ในที่ใกล้ พ อ, อที่พระภิกษุผู้เข้านิโรธนั้นจะได้ยินและเพียงแต่บอกว่าพระบรมศาสดาทรงมีรับสั่งหาท่านดังนี้เท่านั้นก็ออกจากนิโรธเพราะว่าการทรงมีรับสั่งหาของพระบรมศาสดาเป็นการหนักอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระภิกษุผู้เข้านิโรธพึงรำลึกถึงการทรงมีรับสั่งหาของพระบรมศาสดานั้น แล้วเข้านิโรธโดยอาการที่จะออกได้เองนั่นเทียวบุพภกิจข้อที่สี่กำหนดการเวลาข้อว่ากําหนดการเวลาหมายถึงกําหนดการเวลาของชีวิตเพราะว่าพระภิกษุผู้นี้ควรเป็นผู้ฉลาดอย่างดีในการกําหนดการเวลา ต้องรำลึกดูก่อนว่าอายุสังขารของตนจะเป็นไปได้ตลอดเจ็ดวันหรือจะไม่เป็นไปแล้วจึงเข้าเพราะถ้าว่าไม่รำลึกถึงอายุสังขารซึ่งจะดับไปภายในเจ็ดวันก่อนและเข้านิโรธไซนิโรทัสมาบัตของพระภิกษุนั้นก็มิสามารถป้องกันความตายได้พระภิกษุนั้น ต้องออกจากสมาบัติไปในระหว่างนั่นเองเพราะความตายภายในนิโรธหามีไม่เพราะฉะนั้นพระภิกษุผู้เข้านิโรธาสมาบัติพึงรำลึกกำหนดการเวลาของชีวิตก่อนแล้วจึงเข้าเพราะว่าบุพภกิกข์ข้ออื่นที่เหลืออีกสามอย่างแม้จะไม่นึกถึงก็ได้แต่ว่ากำหนดการเวลาของชีวิตนี้ท่านว่าต้องนึกถึงไว้โดยแท้ การเข้านิโร ธ, ธสมาบัติพระภิกษุนั้นครั้นเข้าอากินจัญญายตนะแล้วออกกระทำบุพภิกิจสีน่นี้ดังกล่าวนั้นแล้วจึงเข้าเนวสัญญานาสัญญาญตนะครั้นแล้วก็ผ่านวาระจิตไปหนึ่งหรือสองวาระแล้วเป็นผู้ไม่มีจิตสัมผัสนิโรธคือความดับถามว่าแต่เพราะเหตุไร ถัดจิตสองดวงไปจิตของพระภิกษุผู้เข้านิโรดนั้นจึงไม่เป็นไรตอบว่าเพราะเป็นประโยคของนิโรธความจริงการที่พระภิกษุนี้กระทาธรรมะคือสมถะและวิปัสสนาสองอย่างเทียมเข้าคู่กันแล้วขึ้นสู่สมาบัติแปดนี้เป็นประโยคของอนุปุพพานิโรธ คือการดับไปของฌานมีปฐมฌานเป็นต้นและอนุปัสนาทั้งหลายนั้นๆโดยลำดับหาใช่ประโยคของการเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัตไม่เพราะเหตุนี้จิตทั้งหลายของพระภิกษุนั้นจึงไม่เป็นไปเกินจิตสองดวงเพราะเป็นประโยคของนิโรธแต่ว่าพระภิกษุใด ครั้นออกจากอากินจัญญายตนะแล้วไม่ทำบุพภิกิจดังกล่าวนี้เข้าเนวะสัญญานาสัญญายตนะไปเลยพระภิกษุนั้นมีสามารถเป็นผู้ไม่มีจิตต่อไปได้แต่จะถอยกลับมาตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะอย่างเดิมและในเรื่องนี้ควรกล่าวถึงอุปมาด้วยบุรุษผู้ไม่เคยเดินทางสู่สถานที่ไม่เคยไป เล่ากันว่าบุรุษผู้หนึ่งไม่เคยเดินทางสายหนึ่งครั้นมาถึงลำห้วยหรือแผ่นหินซึ่งร้อนด้วยแสงแดดแผดเผาอย่างแรงกล้าที่ทอดไว้เป็นสะพานข้ามลมน้ำลึกอยู่ระหว่างทางก็ไม่ถกผ้านุ่งและผ้าห่มนั้นให้กระชับเสียก่อนลงสู่ลำห้วยเลยด้วยความกลัวบริขารเปียกจึงกลับมายืนอยู่ริมฝั่งข้างนี้อย่างเดิมอีก แม้ก้าวเหยียบแผ่นหินก็ร้อนเท้าจึงกลับมายืนอยู่น้าฝั่งนี้อย่างเดิมอีกในอุปมานั้นเปรียบความเหมือนว่าบุรุษผู้นั้นเพราะมิได้ถกผ้านุ่งและผ้าห่มให้กระชับพอลงไปยังลำห้วยเท่านั้นและพอก้าวเหยียบแผ่นหินที่ร้อนเท่านั้นก็ถอยกลับมายืนอยู่น้าฝั่งข้างนี้อย่างเดิมฉันใดแม้โยขาวจรก็ฉันนั้น เพราะม่ได้ทำบุพภกิจพอเข้าเนวะสัญญาณาสัญญายตนะเท่านั้นก็ต้องถอยกลับมาตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะตาบุรุษผู้เคยเดินทางสายนั้นมาแล้วในการก่อนครั้นมาถึงสถานที่นั้นก็นุ่งผ้าผืนหนึ่งให้กระชับแล้วมือก็ถือผ้าอีกผืนหนึ่งไว้ก้าวลงสู่ลำห้วยหรือทําเพียงแต่สักว่าก้าวเหยียบแผ่นหินที่ร้อนเท่านั้น แล้วเดินรีบข้ามไปทางฝั่งโน้นฉันใดพระภิกษุผู้ทำบุพภกิกแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันเข้าเนวะสัญญานาสัญญายตนะก่อนแล้วต่อไปก็เป็นผู้ไม่มีจิตสัมผัสนิโรธอยู่การตั้งอยู่ของนิโรัสมาบัติ ข้อห้าที่ว่าการตั้งอยู่เป็นอย่างไรตอบว่าก็การตั้งอยู่ของนิโรธสมาบัตินั้นที่เข้าแล้วด้วยประการดังกล่าวมานี้มีอยู่ด้วยกําหนดการเวลาและมีอยู่ด้วยไม่มีการสิ้นอายุไม่มีการรอคอยสงและไม่ทรงมีรับสั่งหาของพระบรมศาสดาการออกของนิโรธสมาบัต ข้อห้าที่ว่าการออกเป็นอย่างไรตอบว่าการออกมีอยู่โดยสองทางอย่างนี้คือสําหรับพระอนาคามีการออกมีด้วยการเกิดขึ้นของอนาคามิผลลจิตสําหรับพระอรหันต์มีด้วยการเกิดขึ้นของอรหัตผลลจิตจิตของผู้ออกจากนิโรธสมาบัติ น้อมไปสู่พระนิพพานข้อหที่ว่าจิตของผู้ออกแล้วจากนิโรธสมาบัติน้อมไปในอะไรตอบว่าน้อมไปในพระนิพพานเป็นความจริงพระธรรมทินนเทรีก็ได้กล่าวคำนี้ไว้ว่าวิสาขะผู้อาวุโสจิตของพระภิกษุผู้ออกแล้วแลจากสัญญาเวทายตะนิโรธสมาบัติ เป็นจิตโน้มไปในวิเวกคือพระนิพพานโน้มไปโดยวิเวกโอนเอียงไปทางวิเวกคนตายกับท่านผู้เข้านิโรธาสมาบัติต่างกันข้อเจ็ดที่ว่าคนตายแล้วกับท่านผู้เข้านิโรธาสมาบัติมีความต่างกันอย่างไร แม้ความข้อนี้ท่านก็กล่าวไว้ในพระสูตรเหมือนกันดังท่านพระสาวรีบุตรเทระกล่าวไว้ว่าอาวุโศคนตายแล้วทำกาละแล้วนี้ใดกา ย, ยสังขารทั้งหลายของคนผู้นั้นดับแล้วระงับแล้ววจีสังขารทั้งหลายจิตตะสังขารทั้งหลายดับแล้วระงับแล้วอายุสิ้นสุดแล้วไอุนสงบแล้ว อินทรีทั้งหลายแตกสลายแล้วส่วนพระภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตานิโรดนี้ใดกายสังขารทั้งหลายของพระภิกษุแม้นั้นดับแล้วระงับแล้ววจีสังขารทั้งหลายจิตตะสังขารทั้งหลายดับแล้วระงับแล้วอายุยังไม่สิ้นสุดไออุ่นยังไม่สงบอินทรีย์ทั้งหลายยังไม่แตกสลายดังนี้ นิโรธาสมาบัตเป็นสังคตะหรืออสังคตะแต่ในคําถามข้อแปที่ว่านิโรธสมาบัตเป็นสังคตะหรืออสังคตะเป็นต้นไม่ควรกล่าวตอบว่าเป็นสังคตะบ้างเป็นอสังคตะบ้างเป็นโลกิยะบ้างเป็นโลกุตระบ้างเพราะเหตุไรเพราะไม่มีอยู่โดยสภาวะแต่โดยเหตุที่นิโรธาสมาบัตนั้น ชื่อว่าเป็นอันเข้าได้ด้วยอำนาจของพระอริยบุคคลผู้เข้าอยู่เพราะฉะนั้นจะกล่าวว่านิพพานะสำเร็จก็ควรจะกล่าวว่าอนิพพานะไม่สำเร็จหาควรไม่เพราะเหตุที่บัณฑิตทั้งหลายทําอริยามรรคและผลทําอริยะปัญญาให้เกิดแล้วคือมรรคและผล เข้าสมาบัติอันสงบซึ่งเข้าถึงการนับว่าเป็นนิพพานในทิฏฐธรรมทีเดียวนี้ที่พระอริยเจ้าเสพแล้วด้วยประการชนี้เพราะฉะนั้นความเป็นผู้สามารถในการเข้านิโรธสมาบัติแม้นี้ใดท่านก็กล่าวว่าเป็นอานิสงของปัญญาในอริยมรรคทั้งหลายชนี้แหละ อา น, นิสงส์ปัญญาภาวนาข้อที่สี่อหุเนยะภาวาทิสิทธิสำเร็จความเป็นอหุเนยะบุคคลเป็นต้นข้อว่าสำเร็จความเป็นอหุเนยะบุคคลเป็นต้นความหมายว่าและมีใช่แต่เป็นผู้สามารถในการเข้านิโรธาสมาบัติได้เพียงเท่านั้นแต่ว่าแม้ความสำเร็จในความเป็นอาหุเนยะบุคคลเป็นต้นนี้ ก็พึงทราบว่าเป็นอนิสงของโลกุจระปัญญาภาวนานี้ด้วยความจริงบุคคลผู้ทำปัญญาให้เกิดแล้วเพราะเหตุที่ตนเองทำโลกุจระปัญญาแม้ทั้งสี่อย่างนี้ให้เกิดจึงเป็นหนึ่งอาหุนยะบุคคลผู้ควรของคํานับ 2. ปาหุนยะบุคคลผู้ควรของต้อนรับส ักินายะบุคคลผู้ควรทักศินาของชาวโลกรวมทั้งเทวดาสี่อัญชลีการณียะบุคคลผู้ควรทาอัญชลีและห้าโลกานุตระบุญญะเขตตาเป็นเขตบุญอย่างเยี่ยมยอดของโลก บุคคลผู้ทำปัญญาให้เกิดแล้วเพราะเหตุที่ตนเองทำโลกุุตระปัญญาแม้ทั้งสี่อย่างนี้ให้เกิดจึงเป็นดังบุคคลทั้งห้าข้อนั้นโดยไม่แตกต่างกันแต่โดยแตกต่างกันในโลกุตระปัญญาภาวนานี้ก็คือหนึ่งพระโสดาบันท่านผู้ทำมรรคะปัญญาที่หนึ่งให้เกิดรายแรกแล้วมาสู่ความเป็นพระโสดาบัน ด้วยวิปัสนาอย่างอ่อนแม้จะเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนก็มีชื่อว่าสัตตะขัตตุปร r a m a ผู้เข้าถึงพบเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากจะท่องเที่ยวไปตลอดเจ็ดสุคติพบแล้วทำที่สุดทุกพระโสดาบันประเภทที่สองท่านผู้มาด้วยวิปัสนาอย่างกลางเป็นผู้มีอินทรีย์ปานกลาง มีชื่อว่าโกลังโกละแปลว่าผู้จากสกุลไปสู่สกุลจะเร่ร่อนท่องเที่ยวไปตลอดสองหรือสามสกุลคือพบแล้วทำที่สุดทุกขพระโสดาบันประเภทที่สามท่านผู้มาด้วยวิปัสสนาอย่างแก่เป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้ามีชื่อว่าเอกพีชีจะทำาพซึ่งเป็นของชาวมนุษย์ ให้เกิดเพียงพบเดียวเท่านั้นแล้วทำที่สุดทุกสองพระสกทธาคามีท่านผู้ท ร, รมรรคปัญญาที่สองให้เกิดแล้วมีชื่อว่าพระสกทธาคามีจะกลับมาสู่โลกนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วทำที่สุดทุกสาม พระอนาคามีท่านผู้ธท ร, รมคะับัญญาที่สามให้เกิดแล้วมีนามว่าพระอนาคามีโดยมีความต่างกันของอินทรีย์พระอนาคามีนั้นละโลกนี้แล้วไปจบลงคือปรินิพานโดยห้าประเภทคือหนึ่งอันตราปรินิพพายีท่านผู้นิพพานในระหว่างอายุไม่ถึงกึง่ง 2. อ, อุปหัจจับปรินิพายีท่านผู้ปรินิพานเมื่ออายุพ้นกึ่งไปแล้ว 3. อสังขาระปรินิพายีท่านผู้ปรินิพานโดยไม่ใช้ความเพียร น, นัก 4. ส, สะสังขารปรินิพายีท่านผู้ปรินิพานโดยใช้ความเพียรมากและหอุทังโสโต อากานิฐาคามีท่านผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อากานิธะพบในห้าประเภทนั้นประเภทที่หนึ่งท่านผู้ไปเกิดในสุทธาวาสพบพบใดพบหนึ่งอยู่ยังไม่ถึงเครื่องอายุก็ปริณิพนธ์ในพบนั้นชื่อว่าอันตราปรินิพายี ประเภทที่สองท่านผู้ปรินิพพานเลยครึ่งอายุไปแล้วชื่อว่าอุปหัจจะปรินิพพายีประเภทที่สามท่านผู้ทรมรรคเบื้องต้นให้เกิดโดยไม่ต้องทำความเพียรมากโดยไม่ต้องประกอบความเพียรมากชื่อว่าอสังขาระปรินิพพายีประเภทที่สี่ท่านผู้ทำมรรคเบื้องบนให้เกิด โดยมีการทำความเพียรมากโดยมีประกอบความเพียรมากชื่อว่าสสังขาระปรินิพายีประเภทที่ห้าท่านผู้เกิดในภพใดล้วขึ้นสู่ภพสูงขึ้นไปจากภพนั้นจนถึงอากาศนิทภพแล้วปรินิพานในอากาศนิทภพนั้นชื่อว่าอุทังโสโตอากาศนิทะคามี 4. พระอระหันต์ท่านผู้ธ ร, รมรรคปัญญาที่สี่ให้เกิดแล้ว 1. บางท่านเป็นศรัทธาวิมุติผู้พ้นพิเศษด้วยศรัทธา 2. บางท่านเป็นปัญญาวิมุติผู้พ้นพิเศษด้วยปัญญา 3. าบางท่านเป็นอุปโตภาควิมุตผู้พ้นพิเศษด้วยภาคทั้งสอง สบางท่านเป็นเตวิชโชผู้มีวิ ช, ชาสามหบางท่านเป็นชละพินโยผู้มีอภิญญาหกหบางท่านเป็นปฏิสัมพิพทัปปะเพธัปโตผู้ถึงความแตกฉานในปฏิสัมพิทาทุกท่านเป็นพระมหาคีนาสกซึ่งข้าพเจ้ากล่าวระบุถึงมาแล้วว่า แต่พระอริยบุคคลท่านนี้ในขณะบรรลุอริยมรรคชื่อว่ากำลังทางรคชัดนั้นในขณะบรรลุอริยผลชื่อว่าทางโรคชัดแล้วเป็นพระทักคินยะบุคคลชั้นเลิศของชาวโลกรวมทั้งเทวโลกดังนี้เพราะเหตุที่การทำอริยปัญญาให้เกิด มีอนิสงฆ์มากมายดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งควรทำความอภิรมยินดีในการทำอริยปัญญาให้เกิดนั่นเถิดอันหนึ่งปัญญาภาวนาพร้อมทั้งอนิสงฆ์ในวิสุทธิมรรคซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแสดงด้วยหลักธรรมเป็นประธานคือศีลสมาธิและปัญญา ไว้ในขาถานิว่าสีเลปฏิท thyroida r o s p จิตตังปัญญัจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชาตะเยชะตังแปลความว่านรชนผู้มีปัญญาเป็นภิกษุมีความเพียรมีปัญญาเรื่องบริหารตั้งตนเวนศีลและวทำสมาธิจิตและปัญญาให้เจริญอยู่ เธอจะพึงทางโรคชัดอันนี้เสได้เป็นอันข้าพเจ้าได้สแสดงไว้บริบูรณ์แล้วด้วยพันน า, นาความดังกล่าวนี้ปาริเชตที่23สาชื่อว่าปัญญาภาวนานิสังสานิเทศในปรกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทแห่งสาธุชนดังนี้จบปาริเชตที่ยี่สิบสาม คำพีวิสุทธิมักพระพุทธโคสะเทระรจนานิคมกาถาข้าพเจ้าตั้งกาานี้คือเสเลนะปฏิทัยยะนโรสปัญโยจิตตังปัญญัจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชัตเเยชัตัง ลาความว่านรชนผู้มีปัญญาเป็นภิกขุมีความเพียรมีปัญญาเรื่องบริหารตั้งตนไว้ในศีลแล้วทำสมาธิจิตและปัญญาให้เจริญอยู่เธอจะพึงทางโรคชัดอันนี้เสด็ได้ได้กล่าวคำใดไว้ว่ า, วาบัดนี้ข้าพเจ้าในที่นี้คือพระมหาพุทธโคสาจารย์จากบรรยายความแห่งพระพุทธนิพนธกถาที่พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงสแสวงหาพระคุณยิ่งใหญ่ตรัสวิสัชนาไว้แล้วนี้อันต่างด้วยคุณมีศีลเป็นต้นตามที่เป็นจริงต่อไปโยคีบุคคลเหล่าใดในพระศาสนานี้ได้รับการบรรพชาอันหาได้ด้วยในพระศาสนาของพระชินเจ้าแล้วถึงแม้จะต้องการความบริสุทธิ์เมื่อไม่รู้จักทางแห่งความบริสุทธิ์อันเป็นทางตรงทางเกษมซึ่งสงเคราะห์ด้วยศีลเป็นต้น ตามที่เป็นจริงแล้วก็จะไม่บรรลุถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้แม้ถึงจะเพียรพยายามอยู่ก็ตามข้าพเจ้าจากรจนาคำพีวิสุทธิมักซึ่งมีอันไรตรองถูกต้องดีแล้วโดยอิงอาศัยเทศนาใยยะของพระเทระทั้งหลายชาวมหาวิหารอันจะทำความปราโมทให้แก่โยคีบุคคลเหล่านั้น เมื่อข้าพเจ้ารจนาคำภีวิสุทธิมักนั้นโดยความเคารพขอสาธุชนทั้งหลายผู้ประสงค์ความบริสุทธิ์สิ้นทั้งมวลจงไคร่ครวญดูด้วยความเคารพเทินดังนี้วิสุทธิมักนี้นั้นก็เป็นอันข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วด้วยพันานาความดังกล่าวนี้ก็แลในวิสุทธิมักนั้นวินิจฉัยแห่งอัฏฐะทั้งหลาย ต่างโดยคุณมีศีลเป็นต้นเหล่านั้นใดเป็นวินิจฉัยที่ท่านกล่าวไว้ในอัถกถาในแห่งนิกายทั้งห้าวินิจฉัยนั้นพ้นจากโทษคือความปาาปนแห่งนิกายอื่นทั้งสิน้นข้าพเจ้านำเอาวินิจฉัยทั้งปวงนั้นมาประกาศไว้เป็นส่วนมากเหตุใดเพราะเหตุนั้นความเอื้อเฟื้อในวิสุธทธิมรรคนั้นพระโยคีทั้งหลาย ผู้มีปัญญาหมดจดปรารถนาวิสุทธิจึงควรทมแท้แลข้าพเจ้าผู้หวังความตั้งอยู่แห่งพระสัตธรรมได้รับคําเชื้อเชิญจากท่านพระสังฆาปาละผู้เกิดในวงของภิกษุชาวมหาวิหารซึ่งเป็นฝ่ายเทรวาทมีชื่อเสียงเป็นวิพัชวาทีประเสริฐสุดเป็นผู้มีความรุ่งเรืองมีความประพฤติสะอาดเป็นธรรมะเครื่องขัดเกลา ประกอบด้วยวินัยและอาจาระประกอบความเพียรในการปฏิบัติมีใจประดังด้วยคุณมีขันติโสรจะและเมตตาเป็นต้นแล้วรจนาคำภีวิสุทธิมากนี้ขึ้นได้รับกองบุญใดด้วยเดชแห่งกองบุญนั้นขอสัพพสัตจงประสบสุขเถิดคำพีวิสุทธิมากนี้แล จบลงโดยพระบาลีห้าิบดพานวาระโดยปราศจากอันตรายในที่นี้ฉันใดขอมโนรธาทั้งหลายที่ถึงความดีงามทุกอย่างของสัตว์โลกจงปราศจากอันตรายสำเร็จโดยเร็วพลันฉันนั้นเหมือนกันเทินพระเถระผู้ควรจะเรียกว่าโมรันทะเขตกะ มีนามไทยยะที่ครูทั้งหลายขนานนามให้ว่าพุทธโคสะผู้ประดับด้วยศรัทธาพุทธิและวิริยะอันหมดจดอย่างยิ่งผู้เด่นด้วยคุณสมุทยัยมีศีลอาจาระอาชวะและมัทวะเป็นตน้นผู้สามารถในการยังลงสู่ป่าชัดคือข้อวินิจฉัยที่ยุ่งยากได้ทั้งในลทัทธิฝ่ายตนและในลทัทธิฝ่ายอื่น ผู้ประกอบด้วยความเฉียบคมแห่งปัญญาผู้มีอนุภาพแห่งยานอันไม่ขัดข้องในคําสอนของพระศาสดาที่จำแนกเป็นปริยัตคือพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอัตถกถาผู้เป็นนักวยากณ์ใหญ่ผู้ประกอบด้วยความงามแห่งถ้อยคําอันไพเราะเป็นเลิศที่ความถึงพร้อมแห่งกนทำให้เกิดเสียงเปล่งออกมาได้สะดวกผู้เป็นนักพูดชั้นเยี่ยม พูดได้ทั้งผูกทั้งแก้ผู้เป็นมหากวีผู้เป็นอลังการแห่งวงของเราพระเทระชาวมหาวิหารผู้เป็นประที่แห่งเทระวงมีความรู้อันไม่ค้่องขัดในอุตริมนุสธรรมซึ่งปราศัยไปด้วยคุณต่างๆมีอภิญญาหกเป็นต้นมีปฏิสัมพิธาอันแตกฉานเป็นบริวารผู้มีความรู้หมดจดกว้างขวาง แค่รจนาคำภีวิสุทธิมักไว้แล้วขอคำภีวิสุทธิมักนี้จงตั้งอยู่ในโลกแสดงนัยยะแห่งวิสุธทธิมีศีลเป็นต้นแกเหล่ากุลบุตรผู้สแสวงหาธรรมะเครื่องสลัดตนออกจากโลกตราบเท่าที่พระนามว่าพุทโธขององค์พระโลกเชษผู้มีมหาฤาษีเจ้ามีพระหริยบริสุ์คงที่ ยังเป็นไปอยู่ในโลกเทินคำภีวิสุทธิมักจบบริบูรณ์พระพุทธโคสะเทระรจนาสมเด็จพระพุทธาจาร์อาจอสภมหาเทระแปลและเรียบเรียงเสียงอ่านโดยอริยคุณชมรมพลดี อนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมสืบต่อพระศาสนาด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องและร่วมกันเผยแพร่เผยแผ่ส่งต่อธรรมะดีๆสู่คนรอบข้างนะครับสภธานังธรรมะทานังชินนาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง